เรื่องเนื้อเดนสัตว์ห้าเรื่องหนึ่งสมัยนั้นภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏพบเนื้อเป็นเดนเสือโครงจึงใช้ให้อนุปสัสมบันฑ์ทำให้สุกและฉันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชันเนื้อเป็นเดนเสือโครงไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่37สมัยนั้นภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชกูดพบเนื้อเป็นเดนเสือเหลืองจึงใช้ให้อนุปรสัสมบันทําให้สุกแล้วฉันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุชันเนื้อที่เป็นเดนหมาในไม่ต้องอาบัดวงเล็บเรื่องที่39สมัยนั้นภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิดจกูดพบเนื้อเป็นเดนหมาป่าจึงใช้ให้อนุปสัมบัณทํทำให้สุกและฉันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัดปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชันเนื้อที่สัตว์เดริจฉาครอบครองไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่4ี่